เขีนได้แต่ชื่อนะคือเซ็นชื่อได้ที่เหลืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะแต่ว่าเธอนี่หรอกปากกรตินถีบมากนะเรียนจนกระทั่งนะจบมหาวิทยลัยแล้วก็จนกระทั่งมีความรู้ความสา ม, มารถนะไม่เคยเรียนต่อเมืองนอกนะแต่ว่าความรู้ทางภาษาก็ดีมากแล้วนะก็ก็ประทับใจนะเรื่องของความรู้จกักเฉลยโอกาสเนฉะวยโอกาสทุกอย่างนะเท่าที่มี นะไม่ใช่มีเวลาว่างไม่เคยมีเวลาว่างแต่ว่านะอะไรทํางานไหนที่มันพอจะอ่านหนังสือได้ก็ใช้เวลานั่นแหะชวยโอกาสนั่นแหละนะอ่านหนังสือก็ทาให้นึกถึงที่หลวงพ่อคำเขียนนะพูดว่าเนี่ยนักปฏิบัติธรรมนักภาวนาเนี่ยต้องเป็นนักช่วยโอกาสนะต้องฉวยโอกาสทุกอย่างนะทุกเวลาเพื่อการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อคำเขียนเคยเคยเปรียบเทียบนะ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 ให้เป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวด้วยนะเช่นเจริญสตินะมีความ ร, รู้สึกตัวในสิ่งที่เราทำจะกวาดบ้านล้างจานหรือแม้แต่เข้าห้องน้นะําะก็ทำความสึกตัวไปด้วยเวลาเจออะไรก็ตามนะยุงกัดอนะ่ก็เป็นโอกาสนะปฏิบัติธรรมเจริญสตินะเออมาดูใจเนเวลายุงมันกวนเนี่ย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 ไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงมาแล้วก็ไปหรือจะเตือนใจให้เรารู้จักระมัดระวงังไม่ประมาทก็ได้เจ็บป่วยอก็อย่าแต่โวยวายตีโพยตีายนะก็ดูส่วโอกาสใช้ความเจ็บป่วยนี่แหละนะช่โอกาสตอนที่เจ็บป่วยนี่แหละให้เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างเพื่อนเนี่ยคนที่พูดถึงเนี่ยนะสองสามปีหลังก็พวกเขาเป็นมะเร็งนะ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 เหตุการณ์ที่เราเหตุการณ์ที่มันแย่ๆเนี่ยนะถ้าเราหาประโยชน์จากมันได้ในทางธรรมมันก็กลายเป็นของดีเจ็บป่วยก็กลายเป็นของดีเงินหายของหายก็กลายเป็นของดีหรือแม้แต่พิการก็เป็นของดีอย่างอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มก็พิสูจน์ได้เห็นว่าไอ้ความพิการนี่มันสามารถกลายเป็นดีได้อาจารย์กำพลเคยบอกว่าเนี่ยขอบคุณความพิการเพราะความพิการทําให้เห็นทุก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 นะเปลี่ยนมาให้เป็นธรรมะสติปทานข้อสุดท้ายเนี่ยธรรมานุปัสสนาเนี่ยนะก็คือเห็นธรรมในธรรมและธรรมที่ว่านี่ตัวแรกแล้วคือนิวรณ์นะไม่ว่าจะเป็นพยาบาทไม่ว่าจะเป็นกา ร, รมาฉันทะถีนมิทธะอุทาจจักกุจจัหรือวิจิกิจฉาพูงง่ายคือตัวป่วนนะในใจเราเนี่ยทั้งห้าประการเนี่ยถ้าเราโชวยโอกาสเป็นนะมันก็สามารถจะเป็น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 หญิงขันิกาก็แต่งตัวสวยเลยนะพอรถผ่านท่านโลกุลตะกาพัทยะหญิงขันธิกานั้นเนี่ยเห็นพระพัิยาเนี่ยเป็นผ้าที่ตัวเล็กๆป้อมๆดูน่ารักเกิเลยยิ้มให้พระโลกุลตะกาพัทยาท่านก็เห็นนะก็ไปเห็นรอยยิ้มของหญิงคนนั้นแต่แทนที่จะเกิดราคะนะเกิดความยินดีท่านกลับมองว่าโอ้เนี่ยนะ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 ของพระพุทธเจ้านะแต่พอได้เห็นรอยยิ้มนะของหญิงสาวอันนี้ก็เร็วเรู้จากช่วยประโยชน์นะจากสิ่งที่เห็นนะแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่อาจจะชวนให้ เ, เกิดราคะได้คนส่วนใหญ่ถ้าไม่มีสติเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยมันก็เกิดความรุ่มความหลงแต่คนฉลานี่พอเห็นแล้วเนี่ยก็สามารถจะใช้เพื่อจุดประกายให้เกิดปัญญาเกิดตัวรู้นะเกิดความรูม้ความเข้าใจได้ หรืออย่างพระติสานี่ท่านเดินผ่านบ้านของอข่า บ, บดีคนหนึ่งในบ้านนั้นก็มีนางทาตหรือนางทาสีกํลาลังร้องเพลงนะร้องเพลงโลกโลกนี่แหละแต่ว่ามันมีตอนหนึ่งที่พูดถึงว่าพูดถึงความไม่เทียงของชีวิตก็คือข้าเพลงอีสานสมัยก่อนเพลงลูกทุ่งเนี่ยบางทีก็มีเพลงบอกว่ามันบอแน่ดอกนายอะไรเงี้นะไอ้พวกนี้เนี่ยข้อความก็มีความหมายในทางธรรมได้เหมือนกันนะท่าน สึกษาได้ฟังเพลงนี้แทนที่จะเคลิมคลอยหรือว่าเกิดความอาลัยอาวรณ์ท่านกกับ พ, พิจารณาเกิดโอ้สังขารไม่เที่ยงเลยนะเนี่ยท่านพิจารณานะก็เกิดเห็นแจ้งในพระไตรลักษณนะ์บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ตรงนั้นเลยนะอันนี้ก็เลยเป็นตัวอย่างของการช่วยประโยชน์นะช่วยโอกาสนะจากสิ่งที่ได้ยินช่วยโอกาสจากสิ่งที่เห็นนะคนส่วนใหญ่เนี่ย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 อย่าป่อให้สิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้เราเป็นทุกข์เพราะความพัาดพลาดเพราะความสูญเสียเพราะความเจ็บความป่วยแต่ว่าใช้มันนะเพื่อประโยชน์ในทางธรรมเพื่อทำให้เรามีสติมีปัญญานะอันนี้แหละนะถึงจะเรียกว่าเป็นคนฉลาดอย่างแท้จริงคำนี้พุทธเท่านี้นะกราบพระ